เรื่องที่สิบสองเรื่องเสริมที่สองยอมรับตามที่เป็นแต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็นตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวิกะเมื่อค่ำวันที่ 5. กรกฎาคมพุทธศักราช2551ผมจะเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกให้ฟังเราถ้าจะเห็นว่าเออมันเป็นยังไงไปไงมายาไง ธรรมจาติหรือพระเจ้าอาโศกเป็นอย่างที่ฝรั่งว่าพระเจ้าอาโศกนับถือพุทธศาสนาก็จริงแต่ธรรมะที่พระเจ้าอาโสดมาสอนเนี่ยไม่ใช่ธรรมะในพุทธศาสนาฝรั่งนักปรฏิเดียบบอกไม่เห็นมีอริยสัจเลยไม่เห็นมีโพชฌงเลยไม่เห็นมีสติปัฏฐานเลยพวกนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพระเจ้าอาโศกสอนธรรมะของอโศกเป็นอโศด ก, กัธรรมะ อาทีนี้มาดูในพระไตรปิฎกเรื่องมีว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งชื่อโสรนณะอยู่ในแคว้นอังคะอังคาปัจจุบันก็อยู่แถวแถวใกล้ๆ้บังคลาเทศนัน่นแหละเอาแทรกนิดหนึ่งบังคลาเทศเ น, นี่ยมาจากอะไรบังคลาเทศถ้าพูดเป็นภาษาพระจะเป็นพังคลาเทศเพราะไอตัวบังตัวนี้เป็นพัง เป็นพอสพานบังก็คือพังพังคละเทศแล้วอังกฤษไปเรียกเป็นเบงกอลรัฐเบงกอลก็คือเบงคละมาจากบังคละก็คือพังคละอบังนี่พังคละพังคะนี่แผงวอเป็นพอเพราะฉะนั้นพังคะนี่ก็คือวงังคะมีรัฐหรือแควนหนึ่งในอินเดียชื่อว่ารัฐวงังคะอยู่ติดกับแควอังคะ อังคะแล้วก็วังคะเป็นไปได้ไหมว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นรัฐเดียวกันนี่ซ้ำแต่อันนั้นอย่าเพิ่งพูดเลยเรื่องบรัติศาสเอาแล้วไปอ่านว่าแคว้นวังคะนี่แหละมาเป็นพังคะมาเป็นบังคลาเทศมานะเป็นเบงกอลอะไรพวกนี้ทีนี้หนุ่มน้อยชื่อโสนะเนี่ยก็อยู่ที่แคว้นอังคะเวลานั้นแคว้นอังคะขึ้นกับแคว้นมคอ พอแควนมาคนนี้ยิ่งใหญ่ปราบแควนอังคะมาขึ้นเลยก็รวมเป็นอันเดียวกันนี่คนเรบุตรช่วโสนะเนี่ยมีกิติศัพท์เรื่องหรือว่าเป็นสุขุมารชาตสุขุมารชาตหมายความว่ า, างไงแม่พูดยากเป็นคนละเอียดอ่อนผิวเนื้อห่องใสงดงามอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะเนท้านุ่มมือนุ่ม แล้วก็บอกว่ามือเท้านุ่มในขนาดที่เท้านุ่มเนี่ยมีขนนอ่อนขึ้นนี่พระเจ้าพป็พิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ราชาของรัฐหมหาอำนาจได้ยินกิติศัพท์ของหนุ่มน้อยพู้นี้ก็นึกอยากจะพบอยากจะดูคราวหนึ่งพระเจ้าพป็พิสารก็เรียกพวกผู้ปกครองท้องถิ่นในแคว้นอังคาเนี่ยมาที่เมืองหลวง นานๆก็จะมีการเรียกประชุมอย่างนิทีคำนั้นได้ก็เรียกให้มาเพื่อจะมารับข่าวสารแล้วก็มารับคําสอนแนวนโยบายพูดง่ายๆมารับแนวนโยบายนี่ผู้ปกครองท้องถิ่นในอังคะก็มาแล้วท่านบอกว่าให้โสณะมาด้วยนี่โสนะก็มากับคณะผู้ปกครองในแคว้นอังคะก็ามาฟังพระเจ้าปิมพิสาร พระเจ้าบินพิสารก็จัดเรื่องกิจการต่างๆใส่สวนสอบถามความเป็นไปของแว่นแคนเดนแถบนนให้ในโยบายแล้วก็ท่งสั่งสอนเรื่องของหลักการปกครองการประพฤติของขา้าราชการในแะะต่ละตรางท่านกว่ากัาก น, นไปในเรื่องติตรธรรมิกัตถะก็คือประโยชน์หรือจุดหมายขั้นตาเหตุทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่า เดี๋ยวไปจากที่นี่แล้วพวกคุณไปที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะส่งสอนในเรื่องสัมปราชิกัตถะคือจุดหมายขั้นเลยตาเห็นแต่พวกนี่ยพอจบจากพระเจ้าปิมิสานก็เป็นพระเจ้าปิมิสานให้ไปก็ไปฟ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งโสนะด้วยรวมแล้วก็คือหลักการเป็นอยู่ในชีวิตครือหันอะไรแต่และเนี้ยเรื่องทิฏฐธรรมิกัตถะคือประโยชน์ หรือจุดหมายขั้นตาเหตุเป็นหน้าที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายรัฐจะต้องพูดแต่รัฐนั้นต้องหมายความว่าก็ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของพระอริยะเพราะว่าอย่างพระเจ้าบิมริสานี่เป็นผู้ปกครองรัฐก็จริงเป็นโสดาบันนะอันนี้ก็หมายความว่าระ ด, ดับรัฐผู้ปกครองก็ต้องสอนชาวบ้านเนี่ยในเรื่องทิฏฐธรรมิกัตะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หลักที่เราเรียกว่าศีลธรรมทั่วไป พระพุทธเจ้าก็จะส่งสอนพวกธรรมะในเรื่องสัมปราชกัตถะเรื่องลึกซึ้งทางด้านจิตใจด้านปัญญาเรื่องสติปัฏฐานอริยสัจในพระองค์สอนจากเนี่ยจากขรรไหปิฎกตอนเนี้ยองค์นี้อยู่ในวินัยได้ซ้ำอยู่ในวินัยบิฎกก็เห็นได้เลยว่าเป็นจะเรียกว่าธรรมเนียมหรือประเพณีมาแต่พุทธการเหมือนกับว่าให้แบ่งหน้าที่แบ่งงานกัน ฝ่ายปกครองรัฐเนี่ยมีหน้าที่เดีนะที่คุณจะต้องสอนประชาชนในเรื่องหลักความเป็นอยู่ชีวิตศีลธรรมธรรมดาการอยู่ร่วมกันเรื่องประโยชน์หรือจุดหมายขั้นตาเหตุคือติเ ต, ต่ามิกัลทะอย่างค้าราชกคนหนึ่งท่านหัตถกะอาละวะกงังเป็นเอตตะคะอะไรเอตตะคะในหมู่อุบาสกทั้งหลายในแง่ที่เป็นผู้สงเคราะห์บริษัท สงครบริษัทก็คือเป็นผู้ที่รวบรวมปกครองนั่นเองชุมชนของตัวเองด้วยสังหาวัตถุสี่อันนี้เอตตะคะฝ่ายขนาดเอตตคะนี้ในฝ่ายพระไม่มีก็ไปนอนว่าพระเจ้ า, าพิาพิสานก็สอนไปเรื่องการเป็นอยู่ชีวิตกันนะแล้วถ้าจะฟังเรื่องอริษัทเรื่องไหรก็มาที่พระที่วัดอันนี้เราก็ดูระบบตั้งแต่อย่างใหญ่ที่สุด ตามคติในพระสูตรอย่างจากกวติสูตก็มีพุทธเจ้ากับจกักรพรรดิพุทธเจ้าก็จะสอนธรรมะในระดับสูงที่พัฒนาชีวิตอีกระดับหนึ่งขึ้นไปจนถึงจุดสูงสดุดส่วนพวกจกักรพรรดินี้ก็ต้องมีธรรมะอย่างสูงเลยจากอดีวัตเป็นต้ น, นก็ต้องสอนประชาชนให้อยู่กันอย่างดีให้สร้างสังคมที่ดีงามขึ้นมานี้เรามาดูที่จารึกอโศก ถ้าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พระเจ้าอโศดจะไม่นำอธรรมะแบบอริยสัจอะไรแต่ไรมาตรัสเพราะว่าอยู่ในฐานะเป็นผู้นำของประชาชนสังคมกรรเรือนที่ว่าทำไงจะให้สังคมใหญ่ของกรรเรือนนด้อยู่กันได้ดีก็จะเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องของครอบครัวซึ่งสังคมสมัยนี้เองซะอีกกลับไม่เอาใจใส่ใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าโศกจะ ตรศิลาจะลึกไม่รู้กี่แห่งจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยดูแลเคารพเชื่อฟังวิดามันดาเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์แล้วก็เลี้ยงดูหรือบำรุงหรืออะไรใช้คําผมก็จําไว้ก็ได้แหละจะเรียวกว่า บ, บำรุงก็ได้บำรุงคนในครอบครัวหรือจะบุตรปัญญาก็แล้วแต่ถ้าสํานวยในพระไตรปิฎกอย่างในทิศหกในสิงคหลักสูตรก็จะเป็นบุตรปัญญาแล้วก็พวกคนรับใช้คนงานกรรมกร ก็เหมือนในทิศหกก็พูดเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่ให้เบียดเบียนกันแล้วก็ธรรมะเรื่องทั่วๆไปถ้ามองแบบนี้ก็หมายความพุทธศาสนาก็มองมนุษย์ต่างกันแล้วก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มนุษย์มีโอกาสพัฒนาหนึ่งก็คุณก็จัดสรรสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสังคมมนุษย์ที่อยู่รวมกันทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสามด้านเนี่ยเป็นตัวฐาน รวมทั้งเศรษฐกิจอันนี้จัดให้เป็นสภาพที่เอื้อต่อสังคมที่จะอยู่กันได้ดีแล้วก็บนพื้นฐานสภาพเอื้อนี้มนุษย์แต่ละคนจะได้พัฒนาชีวิตขึ้นไปไม่ใช่อยู่นิ่งๆเพียงจะเสพได้รับสิ่งเอื้ออํานวยเหล่านี้แล้วทีนี้ก็สบายจะฉันงก็เสพให้เต็มที่ก็หาสิ่งเสพ บ, บริโภคสนองความต้องการอย่างนี้จบสังคมนี้ไปไม่รอดในที่สุดก็ต้องเบียดเบียนกันรุ่มหลงมัวเมานี้ เขาม <ah> ีสภาพเอื้ออย่างนี้เรามีวินัยไงวินัยก็คือกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อจัดสรรสังคมจัดตั้งระบบการต่างๆในทางสังคมจัดสรรสิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยกฎหมายก็มีเพื่อจัดจัดเพื่ออะไรเพื่อให้มีสภาพเอื้อสังคมก็เอื้อสิ่งแวดล้อมอะไรแต่อะไรความเป็นอยู่มันเอื้อและมนุษย์ทุกคนนี้จะได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น จุดหมายของมนุษย์อยู่ที่นี่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้นประเสริฐได้ด้การฝึกดัง น, นั้นไอเรื่องการแสวงหาสิ่งเสพบริโภคมันก็กลายเป็นเรื่องหลองอันนั้นเป็นเรื่องของการแสวงหาของมนุษย์ผุ้ดุจชนเขาบอกคุณเอาขั้นต้นว่าสีลห้านะไม่เบียดเบียนไม่ละโมดแต่ผู้อื่นแต่ว่าคุณต้องพัฒนาไปมากกว่านี้เราถึงได้ให้มีอุโบสถในเจ้าจารย์ลิพเจ้าโศด ก, ก็พูดถึงเรื่องการรักษาอุโบสถ พูดถึงพวกค้าราการในี่ยไปรักษาอุโบสถร่วมกับประชาชนบอกว่าในวันอุโบสถนะคุณไปร่วมกับประชาชนแล้วเอาองค์การของพระเจ้าอโศกเนี่ยอ่านให้ที่ประชุมฟังเอาคําสอนเนี่ยอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเป็นระบบชีวิตในสมัยนั้นเลยเอา้าวพอถึงวันอุโบสถประชาชนก็รักษาอุโบสถเออวันนี้เราฝึกด้านจิตใจกันนะด้านร่างกายอย่าไปตามใจ อย่าไปพึ่งพามันมากนะักอย่าอยู่หาความสุขที่เราต้องเอาความสุขไปฝากไว้กับกสิ่งเสดบริโภคเจดแปดวันทีเราก็อยู่โดยมีวัตถุเพียงเล็กน้อยเอามาเอาใจใส่ด้านจิตใจแล้วก็เอาเวลาไปทําอนุวัชิกรรมไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ทาเพ็่ประโยชน์ซนะเอออย่างนี้ดีกว่าแทนที่ว่าวันหยุดจะไปวันเที่ยวหาความสนุกของตัวเองก็เป็นวันพัฒนาชีวิตเข้มขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สงเพราะคนอยากไร่คนแก่คนพิการเด็กอะไรทั้งนี้นะอย่างเนี้ยสังคมมันน่าจะมีแนวทางการพัฒนาบ้างเอาละอย่างนี้เราจะเห็นว่าพุทธศาสนาไม่บังคับเลยสักคันหนึ่งขั้นต้นก็เราก็จัดตั้งจัดสรรสภาพไปเราให้อื้ออันนี้จัดให้อก่อนไม่ใช่ไปบังคับคนต้อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราว่าเออคนนี้เขาได้สภาพเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตเขาหรือ ย, อยังเอาให้ได้อันนี้ก่อน จัดให้ดีเศรษฐกิจการเงินการทองความเป็นอยู่อาหารการกินการอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนไม่มีโจรขโมยให้มีความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันน่ารื่นรมธรรมชาติดีงามอย่างเงี้ยอา้าวก็บอกว่าให้รู้ไอ้ที่จัดให้คุณดีอย่างเงี้ยนะคุณจะได้มีความสุขแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะคุณจะได้โอกาสไปพัฒนา นี้ต่อไปนี่ก็บอกถลยว่าวิธีที่จะพัฒนาตัวแนวทางในการพัฒนาตัวยิ่งกว่นีท้ทำไง่ายอ่าวบอกต่อไปก็จะมีระบบเช่นการรักษาบทสดอะไรจะะไระเนี้ยมาค่อยๆขึ้นไปทั้งนี้ไม่มีการบังคับเลยแต่อาจจะมีคล้ายๆว่าวินัยบังคับกึ่งๆคือว่าคนที่ยังไม่พร้อมนักที่จะฝึกก็เหมือนกับว่าเป็นข้อกําหนดเมื่อเป็นวินัยของส่วนรวมมันก็เหมือนกับต้องสนใจหน่อยตอนแรกยังไม่พร้อมก็ ฝืนใจเพราะว่าพร้อมใจแล้วก็เปลี่ยนจากฝืนใจมาเป็นฝึกฝึกตัวเองอย่างที่ว่ากฎหมายมีสามระดับสําหรับมนุษย์สามระดับสําหรับมนุษย์ที่กิเลสมากยังไม่พร้อมก็เป็นฝืนใจก็เหมือนบังครับมนุษย์ที่รู้เข้าใจเหตุผลว่านี้เขาทามากฎหมายนี้เพื่อความดีงามในการอยู่ร่วมกันสังคมมนุษย์ดีก็ฝึกตนเองทั้งทั้งที่ตัวเองใจยังไม่พร้อมเท่าไหร่ที่จะทําตามนั้น จะรู้ว่ามันมีเหตุผลดีก็เลยฝึกตัวเองให้ทําได้ต่อไปพอฝึกตัวเองดีแล้วก็รู้ว่ากฎหมายนี้วินัยนี้เขามีเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้แก่มนุษย์ในการเป็นอยู่อย่างดีสุขตนได้ก็แเลยเออมันเป็นข้อหมายรู้ร่วมกันเพื่อจะอยู่ร่วามกันได้ดีก็อยู่ได้ข้อหมายรู้ร่วมกันกฎหมายก็สมชื่อว่าเป็นกฎหมายเป็นข้อที่หมายรู้ ว่าเอาอย่างนี้นะเราจะอยู่กันได้ดีเราควรทำอย่างนี้ตกลงกันนะเอะอแล้วตอบไปแล้วก็ทำมันก็วัดเนี่ยเออเราจะอยู่กันได้ดีนะ<า craft>ออกบินธ บ, บาตรพร้อมกันเออเวลานั้นออกบินธ บ, บาตรเราจะอยู่กันได้ดีนะเวลานั้นมาทำวัดกันจะได้บอกข่าวสารจะได้มาสวดมนต์อะไรตอรแล้วก็อยู่กันได้ดีเรามีข้อหมา ย, ยา Nurse, รู้อย่างนั้นตีระฆังอย่างา น, <designers> นั้นอะไรเงี้ยนี่ละคือกฎก็เป็นกฎที่หมายรู้กัน หมายรู้ร่วมกันจะได้ทางพระจะเรียกว่าเป็นสัญญัติไป็ข้อหมายรู้ร่วมกันข้อหมายรู้ก็คืออ้าวหมายรู้กันไว้นะเกิดจากมติร่วมกันก็เหมือนพระพุทธเจ้าจะบัญญัติวิไหนพระองค์ประชุมสงก่อเอานะเออท่านผู้นี้ไปทํานี่ประชาชนเก็โจดติเตียนนะ่ะไม่ดีจริงไหมถามท่านผู้นั้นว่าท่านถามจริงไหมจริงแล้วดีไหม มันมีโทษยังไงและพระองค์ก็ตัดเนี่ยมันจะมีโทษอย่างงี้ๆๆเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้หนึ่งสองสา0สี่ห้าเจปเก้าสิบนะต่อไปนี้ให้ถือว่าเราจะมีสิกขาบทดังนี้นะและพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทสิกขาบทก็แปลข้อฝึกท่านที่ยังไม่พร้อมจะได้ฝึกแต่ว่าก็คือสัญญาติข้อหมายรู้กันเนี่ยเวลาเรามาประชุมประชาธาปไต เพืให้สังคมชุมชนของเราดีแล้วก็ตกลงกันก็เออไอนี่นะมันไม่ดีเราไม่เอาไม่ทํานะอ้าวก็เป็นข้อบัญญัติอันหนึง่งแล้วก็อันนั้นครจะทํานะทําเพื่อส่วนรวมดีและอย่างเพื่อแต่ละคนจะได้ฝึกตัวเองได้ดีขึ้นก็ตกลงทําเป็นกฎเป็นกฎไว้ก็เป็นข้อหมายรู้ข้อฝึกข้อหมายรู้เนี่ยก็เป็นสำคัญทําให้อยู่กันได้ด้วยดี นี่ถ้าหากว่าสังคมไปได้ถึงเป็นข้อหมายรู้มาะไรแล้วก็ประเสริฐถ้ามื่อไรยังดูกฎหมายและทำกฎหมายให้เป็นข้อบังคับเมื่อ น, นั้นสังคมไม่ปลอดภัยสังคมจะตีขึ้นหนึ่ ง, งก็ต้องเหนือขั้นกฎข้อบังคับมาเป็นศึกขาบทข้อศึกษาข้อฝึกตนแล้วก็มาเป็นข้อหมายรู้ร่วมกันนี่สังคมประาธิปไตยเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาแบบนี้ ผู้ที่มาอยู่ร่วมกันก็หมายรู้ด้วยกันเหมือนพระพุทธเจ้าจะบัญญัติศิกขาบทไม่ใช่พระองค์จะบังคับพระพุทธเจ้าจะบัญญัติอะไรเนี่ยประชุมสงฆ์ทุกครั้งเลยอ้าวมีคนทําให้ดีขึ้นมาอา้าวตามตัวมาประชุมสงฆ์แล้วก็ซักถามท่านยอมรับไป็ความจริงแล้วก็ชี้แจงโทษว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรแล้ก็เพื่อความยอมรับว่า ด, ดีร่วมกัน เป็นข้อแรกเลยในการบัญญัติวินัยเพื่อความยอมรับว่าดีแห่งสงเวลาบัญญัติวินัยพระสงฆ์ยอมรับว่าดีเออี่ดีเป็นประโยชน์กัอพวกเราจะได้สังฆะอย่างน้อยก็งดงามเป็นระเบียบเป็นสภาพเอื้ออยู่กันได้ดีแล้วแต่ละคนก็ฝึกตนได้ดีขึ้นเจ้าลงพระพุทธเจ้าก็เมื่อสงรู้ร่วมกันแล้วก็วางไว้อย่างเงี้ยนนะทีนี้ ทุกคนนี้ก็มาประชุมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างที่ว่าแล้วก็มาคิดเรื่องอะไรที่ควรตกลงกันวางเป็นข้อกำหนดบางข้อกฎหมายหรืออะไรเนี่ยสิขาบทไว้ในอย่างเงี้ยก็คือวิธีที่เราเรียกประชาธิปไตยแต่นี้ประชาธิปไตยที่มีข้อดีอย่างเงี้ยมันไปเป็นข้อเสียอย่างงั้นเป็นประชาธิปไตยแบบทุนนิยมมันก็ไปสนองไอ้ลัทธิแนวคิด ดิ่งอย่างเดียวที่ยึดมั่นทิฐิว่ามนุษย์มันเป็นอย่างนี้จะต้องสนองความต้องการเสรบริโภคของมันที่ไม่มีทิฏสิ้นสุดมันก็เลยตันไปแง่หนึ่งแต่จริง้ระบบประชาธิปไตยในแง่หนึ่งมันดีเหมือนกันนะทีนี้ไอ้ตอนเนี้ยมันเอาไอ้ระบบเศรษฐกิจกับระบบการปกครองมันเอาไปรวมไปอันเดียวกันซะนี่โดยเฉพาะเนี่ยยุคไม่นานนี่เองนะเดี๋ยวไม่กี่ปีเนี่ยมันเกิดซับใหม่ คือมีการประสานเอาระบบการปกครองมาเป็นอันเดียวกับ ร, ระบบเศรษฐกิจก็คือเอาทุนนิยมกับประชาธิปไตยนี่ไปอันเดียวกันเเออพูดอยู่บ่อยๆแต่ก่อนเนียตอนนี้ชักลืมแล้วเนียเศรษฐกิจแบบนี้กับทุนนิยมละ่ะแคปิตัลลิซึมแล้วก็เรียกแคบลงมาก็ได้ว่ามาร์เก็ตอีโคโนมีแล้วก็มาประสานกับ ร, ระบบการปกครอง เป็น Free Market Democracy ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีคือเอาระบบการปกครองมาเป็นหลักและเอาตัวเศรษฐกิจมาเป็นตัวกำกับก็เลยการปกครองกับระบบเศรษฐกิจเลยเป็นอันเดียวกันเลยตอนเนี้อเมริกันก็ถือระบบนี้แหละทำให้คนที่เกิดรุ่นหลังไม่เข้าใจนึกว่าอ๋อถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องเป็นทุนนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็บอกของเขาเป็น people's เป็นประชาธิปไตยของประชาชนใช่ไหมเนี่ยประเทศต่างๆอย่างลาวเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อประเทศเขาว่าประเทศประชาธิปไตยประชาชนทีนี้ของฝรั่งอเมริกันก็ไปตั้งชื่อประชาธิปไตยที่เอาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไปกำกับไปทีแล้วสรุปแล้วไอ้ตัวทิฏฐินี่เอาอะไรมามามาเบรคตัวทิฏฐครับ ก็เนี่ยหนึ่งต้องมีขั้นที่หนึ่งก่อนมิให้เอาทิฏฐินี้ไปบังคับคนอื่นขั้นที่หนึ่งมิให้เอาทิฏฐิเป็นเหตุเบียดเบียนคนอื่นฆ่าเขาไม่ได้อย่าฆ่าเขาด้วยทิฏฐิอันนี้ต้องกำกับไว้ก่อนเพราะอันนี้คือตัวร้ายที่สุดเดี๋ยที่มันทำกันโอ้โหมันเอากันหนักนะเหลือเกินมาเอาทิฏฐินี้เป็นตัวที่ทำลายยิ่งกว่าตันหามานะอีก ไอ้ตานหามันนะคนไหนมันไม่ขัดขวางผลประโยชน์มันก็ปล่อยแหละแต่ไอ้นี้เห็นว่าไอ้คนนี้มันไม่ได้นับถืออย่างนี้เท่านั้นละมันฆ่าเลยเพราะนั้นมันร้ายขนาดไหนมันฆ่าได้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่ว่าพรพ์มันก็ฆ่าได้ไม่รู้กี่ล้านเลยใครนะ ก, น ก, นก็น่าจะผมไม่ได้ศึกษาแต่คนนี้แต่ลองดูสิคในประวัติศาสตร์นะนะจะเห็นใ้แบบนี้มันเหลือเกินเลยเรื่องทิฐิเนี่ย นี่คือความพิเศษของมนุษย์ที่ร้ายที่สุดก็คือด้านปัญญาใช่ไหมพอมาทิฏฐิในเรื่องปัญญามาแต่ปัญญามันพัฒนาไม่พอแล้วมันก็ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สอดคล้องกันพุทธศาสนาจึงบอกเมื่อคุณพัฒนาปัญญาคุณต้องมีเมตตาด้วยเมตตากรุณาต้องมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันเผื่อแผ่ปัญญาด้วยไม่ใช่บังคับให้เขาเห็นอย่างตัวเพราะฉะนั้นทางนู้จริงสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิด ก็ไม่เกิดพอรู้จริงก็มองเห็นโอ้ความจริงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมนุษย์เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้เขาเป็นแล้วเราจะให้เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นตามเหตุปัจจัยเราต้องตามเหตุปัจจัยให้เขาเป็นไม่จะไปบังคับเขาแค่นี้มันก็หยุดแล้วใช่ไหมแค่มองว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่ไปเที่ยบบังคับแล้วก็คุณทําเหตุปัจจัยให้เขาเป็นระยังอ่ะถ้าคุณก็ยังไม่ทํามันก็เป็นความบกพร่องคุณเองด้วยใช่ไหมเออแล้วจะไปบังคับคนไง อ้าวแล้วพอได้เขาได้ความมั่งเลยได้พระคุณหลวงพ่อจะถามต่อนิดนึงคที่เล่าถึงมโนบหนุ่มที่เนื้อนุ่มอย่เงี้ยอ๋อแล้วที่ท่านบอกว่าเอตามไปเฝ้าพระรูเจ้าแล้วนะครับคก็ไปตามไปก็เรื่องเกี่ยวกับเอมโนบหนุ่มที่เนื้อนุ่มนี้เป็นยังไงนะครับอ๋อคือก็ท่านโสนะแล้วทีนี้ท่านโสนะก็ตามไปด้วยไงอ๋อเมื่อกี้ลืมเล่า ก็ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ากับผู้ปกครองท้องถิ่นนี่พอฟังเสร็จเรื่อมใสมากเรื่อมใสแล้วก็ขออยู่ต่อก็ขอเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชแล้วก็เลยท่านคนนี้ก็ได้บวชบวชแล้วก็มีเรื่องว่าเป็นผู้มีความเพียรมากเหลือเกินเป็นผู้สุขุมารชาตินี่เท้าเธอก็นุ่มใช่ไหม แล้วมาเพียนมากก็เลยร่างกายแย่เช่นเดินจงกรมจนเช้าแตกเลยพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงสอนสอนเปรียบว่าในการทําความเพียรพยายามเนี่ยให้เหมือนคนดีดพินพินเนี้ยถ้าเขาขึงสายตึงเกินไปดีดไปมันก็จะขาดถ้าดึงหย่อนเกินไปมันก็ไม่มีเสียงนั้นต้องขึงสายพินแต่พอดีนี่ก็เป็นที่มาคําสอนนี้เป็นพั ส, สูดุ เอาแล้วนะในความนะแต่แปลว่าท่านโสณะเนี่ยก็เลยได้บรรลุอรรตผลเป็นมหาสาวกท่านหนึ่งเลยนี่แหละก็เป็นเรื่องที่ว่าความเป็นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องอะไรต่างๆแนวคิดพุทธศาสนาที่อยู่ของน้นบ้าของนี้บ้างแต่ที่พูดมาพอเห็นอะไรนะเห็นยังไม่ได้สรุปพอจะตอบท่านได้ยัง ได้นะถ้าหากว่าอย่างนี้แล้วปัญญามันจะเป็นประโยชน์เพราะมันกากับตั้งแต่หนึ่งวินยัยคุณจะเอาทิฏฐิไปบังคับใครไม่ได้นะโดยเฉพาะค่าเบียดเบียนเขาไปนได้แล้วก็คุณต้องมีเมตตาพัฒนาจิตใจพร้อมกันนะไอน้นันวินัยก็ดดานพฤติกรรมก็ามาได้ศีลเออพฤติกรรมมันจะได้ไม่เบียดเบียนแล้วพร้อมกันนั้นคุณจะเอาแต่ปัญญาไม่ได้นะ ต้องพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะก็คือเมตตากรุณาเอ้าวและสิทิฐิมันก็ไม่ไปทําร้ายใครและเออทีนี้อัญญาก็คุณอยไปติดทิฏฐินะเอาอีกแล้วนะห้ามจะเอาทิฏฐิเป็นสัจจะอย่าเอาทิฏฐิเป็นความจริงพระเจ้าจัดบ่อยเลยเนี้ยเบารัทติเขาเรียกสัจจะพินิเวณยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นแท็ทั้งสิน้นไอ้พวกนี้มันจะถือ่บงนั้นพระเจ้าก็บอกว่า ให้รู้จักต่อท่านเรียกว่าอนุรักษ์สัจจะอนุรักษ์สัจจะก็คือรักษาสัจจะไว้อย่าเอาตัวเราไปทําลายมันบอกเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและคิดเห็นมาเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนี้หรือได้ความเข้าใจว่าอย่างนี้ได้เห็นความจริงเท่านี้ว่าเป็นอย่างนี้ น, น, นี่คือวิธีพูดแม้แต่วิธีพูดท่านยังสอนเลยอาละท่านลองพูดสิใช่ไหมมันก็ทําให้เราเนี่ย หนึ่งเตือนตัวเองไม่ไปถือดิ่งสองก็ไปอ่านให้โอกาสคนอื่นแล้วก็ไปการสัมพันธ์ที่ดีเพราะนั้นจะมีหลักเรียกว่าอนุรักษ์สัจจะเวลาจะพูดกับใครก็บอกเท่าที่ข้าพเจ้าศึกษามาเท่าที่ข้าพเจ้ามองเห็นไละคิดได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ดีไ้ยครับแบบนี้ดีไม่ใช่ไปถึงก็ต้องอย่างนี้เด็ก็อีกคนไม่เอาด้วยใช่มตีกันเลย ตีไม่พอฆ่ากันอีกลก้คนนี้มันถึงได้บุ่นะตกลงตาหนามานะัทิฏฐิไปแล้วเนะี่ยและไอทิฏฐิตัวร้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นตัวสําคัญของมนุษย์สด้วยเพราะมันอยู่ในแนวทางของปัญญาการพัฒนาที่สําคัญเลยเนี่ยมนุษย์ก็มาติดตานของเนี้ยไอตานหนามานาก็ยุ่งพอดูอยู่เลยใช่ไหมแล้วยังมาติดไอทิฏฐิอีกไม่ไปไหนเลยเลยแย่กันเนี่ยเนี่ยดูสิ เมืองไทยก็ลองดูวงจรเนี่ยตั้หามานะแล้วก็ลองดูให้ดีนะอีกพวกหนึ่งก็คือทิฏฐิเป็นคนที่อย่างน้อยใจกว้างไหมรับฟังคนอื่นไหมมีแนวคิดอุดมการตายตัวเด็ดขาดจะต้องให้คนเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเนะี่ยก็แปลว่าแค่พื้นฐานก็ตา่างพุทธศาสนาไปอาามองมนุษย์ยอมรับความแตกตา่างตามที่เขาเป็น แต่ว่าขออย่าให้คุณหยุดอยู่กับที่ที่คุณเป็นยอมรับตามที่เป็นแต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็นแล้วทำไงทีนี้เราก็มาช่วยกันแล้วก็เราก็มาจัดสรรระบบสังคมระบบอะไสิ่งแวดลอ้อม mm hmm. เอื้อเอื้อไม่ใช่คุณอยู่สบายสนองความต้องการนะคุณจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวได้ดีขึ้นว่ากันไปพอเห็นนะระบบเนี่ยเพราะฉะนั้นระบบนี้มันจะไม่เป็นแบบตายตัวเพราะฉะนั้นความหลากหลายในความเป็นหนึ่งเนี่ย ก็คือหนึ่งในหลักการใหญ่แต่ว่าหลากหลายในเรื่องของสภาพมนุษย์สภาพของสังคมเอาเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ถ้าได้ประโยชน์ก็โมทนาแต่ว่าหายสงสัยก็ใช่ได้จะเรียกว่าเรื่องนี้ข่านได้ไม่ต้องกลัวจะไปบังคับใครแล้วถ้าแบบพุทธศาสนามันเป็นไปเองเลยในชะ่ไหมมันเป็นอันไม่ต้องกลัวจะไปบังคับใครแล้วแต่เนี้ยที่เราไม่ปลอดภัยในเนี้ย สำคัญว่าไม่บังคับเขาเขาจะบังคับเอาใช่ไหมสมัยพระเจ้าอโศกวิธีนี้ดำเนินอยู่กี่ปีไม่ทราบครับจนรวมๆก็ตลอดสมัยพระอสี 4, 4่ส0บกว่าปีเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวอย่างแรกในบทบา์ไม่เคยมีเลยที่ว่าผู้ปกครองประเทศให้เสรีภาพในการนับถือทุกศาสนาแล้วประถมบารงทุกศาสนาในศิลาจารึกกะบอก ท่านก็ไปบํารุงวัดนิครไวอะไรทั้ไหลาไปช่วยอ้าวพระเจ้าโศกบอกว่าไม่ให้มีการฆ่าสัตว์บูชายัญ น, นี่นี่เนยพราหม์แม้โกรธที่สุดเลยเมื่อบูชายัญเนี่ยมันของสําเร็จของฉันของสําคัญที่สุดเลยสถานะความสําคัญอะไรต่างๆมันอยู่ที่บูชายัญนะรายได้รายเด้อยันอยู่ที่บูชายัญพราหม์เนี่ย หนึ่งคณะบูชายันสองวันนะระบบพราหมณ์ระบบฮินดูก็ต้องมีวันนะใช่ไหมพระเจ้าอโศกก็ไม่ได้ว่าควรจะถือก็ถือไปแต่ฉันไม่ถือด้วยเพราะฉะนั้นในระบบราชการก็ไม่ให้ความสํำคัญกับวันนะสิพราหมณ์คนไหนเก่งมีความรู้มีสติปัญญาก็รับเข้าราชการมาเป็นที่ปรึกษาพระราชาแต่ว่าไม่ได้ยอมรับสถานะพราหมณ์ที่เป็นผู้มพิสิทธิ์ในสังคม ก็เพราะเห็นเนี้ยเข้าใจเพราะเห็นเนี้ยพรามณโกรธที่สุดเลยทีนี้พราหมณ์ก็มาเป็นใหญ่อยู่ในราชสำนักหลายคนแกก็จ้องเลยทีนี้พอถึงหลานลิลเหลนพระเจ้าสูงวันหนึ่งมีพิธีสวนสนามแบบปัจจุบันเรียกว่าสวนสนามพราหมณ์ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นหมาหมัดชั้นสูงแล้วได้สมคบวางแผนก็เรียบร้อยแล้ว ก็ปรองพชนตอนสวนสนามเลยแล้วก็ล้มราชวงศ์โมริยะล้มราชวงศ์อโศกลงสวนสนามมีประเทศอะไรที่กําจัดผู้นําสาดดัดง่โดนตอนสวนสนามนี่ใช่ไหมนี่ก็ปรองพชนพระเจ้าบ ด, ดินทร์แล้วพราหมณ์นี่ก็ตอนนี้ขึ้นเป็นฮักษัตริย์เองเสถาบนนาวงกษัตริย์ ชื่อราชวงสุงคะแล้วพอขึ้นคลองอำนาจปั๊บเขาบอกว่าก็จับชาวพุทธฆ่าให้ฆ่าหัวเลยนะถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็ฟื้นพิธีบูชายันเหมือนกับว่าจะข่มพุทธศาสนาดูคล้ายๆว่าอะไรทำพิธีเหยียดหยามดูถูกก็คือว่าพระเจ้าโศกนี้ห้ามมานานเลย เระทําวิธีบูชายัญของกษัตริย์น่ะเรียกว่าอสโอมเตศฆามาบูชายัญพระเจ้าปิิลองค์นี้องค์แรกเอาเลยทําวิธีอสโอมเตศเลยนี่แหละเขาได้โอกาสก็แปรลมลางพุทธศาสนาแต่แกไม่มีอานาจพอรัฐของพระเจ้าอาโสร ก, ก็แตกกันจัดกระจายรัฐที่แตกออ ก, กไปก็ยังนับถือพุทธศาสนากันเยอะแล้วก็มาถึงที่เราได้ยินมากก็สายกรีกพระเจ้าเม น, นันเดอ ชื่อมิลินทะในภาษาเบลีชื่อกรีกว่าเมนันเดอร์นั่นในเราซักของเราบอกพศห้าร้อยตามตัวเลขฝรั่งได้พศสามรอยห้สิบก็อยู่ระหว่างเนี้พระยามิลินนี้ก็มานับถือพุทธศาสนาพระธรมบำรงก็อยู่ในแถบแคว้นอยู่นกแควนอยู่นกก็เหนือขึ้นไปทางอัฟกานิสถานก็ลงมาอัฟกานิสถานปากีสถาน ถ้านับแคว้นกันธาระลงมาก็ถึงพวกเมืองกันดาห่าแลยท่นี้เมืองโหลก็ตักกศิลาแต่ว่าพระเจ้ามิลินทะก็มีอำนาจลงมาส่วนหนึ่งอาไม่ได้ยิ่งใหญ่มากถึงสมัยพระเจ้าอาโสกมิลินทะก็เป็นกษัตริย์ที่อุปถัมภุทธศานาที่สําคัญที่โตกับพระนาคเซรแล้วมาเริ่มใส่เนี่ยก็แปลว่าพุทธศานาก็จบจบจกระทั่งมาถึงพระเจ้ากันนิสกะขึ้นเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ ในตอนพศออประมาณหกร้อยตอนนี้ก็เกิดมหายานพระเจ้ากนิสกานิุปธ ร, รมพุทธศาสนาหินญาณแบบสรวัศิวัถินอินิกายหนึ่งไม่ใช่เทระวัศวสติวาถินก็สาบสูญไปหมดเลยกนิสกะก็อุปธรรมสังเกนาของสรวัศติวัฏะแล้วมหายานก็ยอมรับการสังเกนานี้ก็เลยถือเป็นการสังเกนามหายานไปด้วย แล้วกันิสกาก็จบไปพุทธศาสนาก็ยิ่งใหญ่ก็เป็นโอกาสให้พุทธศาสนาขึ้นเหนือไปอาเซียกลางเข้าจีนแล้วต่อมาก็ไปถึงโน่นมายุคคุปตะก็ฮินดูสละพุทธเนาะฮินดูอ่ะแต่ว่ายอมให้โอกาสแก่พุทธจนกระทั่งว่าฮินดูถูกพวกขั้นทําลายราชวงคุปตะก็สลายพวกขั้นนี่ทําลายหมดเลยตระ ก, กับศิลาศิลาเรียบเหมืดนละ้นแล้ว อินเดียก็แตกสลายเป็นเล็กเป็นน้อยจกนกระทั่งพระเจ้าหัตสวรรณามารวมประเทศอินเดียได้ส่วนหนึ่งก็เป็นกษัตริย์พุทธอีกก็ประธรรมพุทธศาสนาในที่สุดพราหมณ์ก็ปรองพจน์อีกพราหมก็สมคบคิดกันปรองพจนปรองพจน์เสร็จแล้วจับได้นะให้อภัยโทษอีกพวกนี้ก็เลยฆ่าอีกทีาตายเลยเนี่ยดูสิกษัตริย์พุทธให้าภัยเมตตา แล้วเขายอมรับนในบรวศาสตร์อินเดียกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรวศาสตร์อินเดียปรากฏวเป็นพุทธสามองค์นี่แหละหนึ่งอโศกสองกนิสกัดสามหัสสวรรค อ, อแปลกนะก็ในสมัยของกษัตริย์พุทธหนึ่งไม่เบียดเบียนใครสองไม่ขดขี่ประชาชนนั้นแน่นอนอันนี้มันก็ไม่รู้เป็นสุขไม่เป็นสุขทกระโดเองคิดเอา อย่างน้อยก็มีสภาพเอือมากขึ้นเขาจะสุขแค่ไหนอยู่ที่การพัฒนาชีวิตเขาตนเอา้าวเดี๋ยวก็ยาวกันใหญ่เอาแล้วครับวันนี้นะก็เอาพอจับอะไรได้กันแล้วกันพอเห็นแนวทางพุทธศาสนาก็ใช้ได้แล้วก็เนี่ยทำไงเราจะให้โลกนี่มันอยู่ดีแค่ไม่ยุ ต, ติตัณหามานะทิติสามตัวนี่มันไปไม่รอดลมจมกันมาหนักหนาแลนะ้วเนามในวันนี้ก็เอาเท่านี้ เอาละครับโมธนา